เรื่องมูลโคดินเหนียวกากน้ำย้อมดับกลิ่นตัวส6 4สมัยนั้นท่านพระเทลัฐธศีสะผู้เป็นพระอุปชาของท่านพระ อ, อนนต์เป็นโรคฝีดาษจีวรติดกายเพราะน้ำเหลืองพวกภิกษุใช้น้ำชุบผ้าเหล่านั้นแล้วค่อยๆดึงออกมา พระผู้มีพระภาคเสด็จจาริกไปตามเสนาสนะได้ทอดพระเนตรเห็นภิกษุเหล่านั้นกําลังใช้น้ำชุบผ้าแล้วค่อยๆดึงออกมาจึงสเสด็จเข้าไปหากระถามว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุนี้เป็นโรคอะไรภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่าภิกษุนี้เป็นโรคฝีดาษ จีวรติดกายเพราะน้ำเหลืองพวกข้าพระองค์ใช้น้ำชุบผ้าแล้วค่อยๆดึงออกมาพระพุทธเจ้าข้าลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมมีกถาเพราะเรื่องนี้เป็นต้นเหตุรับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตยาผงสำหรับภิกษุ ผู้เป็นหิดตุ่มผู้พองฝีดาษหรือมีกลิ่นตัวแรงมูลโคดินเหนียวกากน้ำย้อมสำหรับภิกษุผู้ไม่เป็นไข้ภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตครกและสาก